สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ครบคะ่ะที่สถานีวิทยุเอฟเอร้ครบครัวข่าวแห่งนี้ซึ่งได้ให้ความสุขกับท่านผู้ฟังได้ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังได้ให้ความบันเทิงกับท่านผู้ฟังมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วน ะ, นะคะ<ๆ>ก็ยังมีรายการนี้รายการสันนีสนทนาที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังกันเป็นประจำวันละครึ่งชั่วโมงเว้นวันเสาร์อาทิตย์พร้อมทั้งมีออกอากาศทางสถานวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะวันนี้นะคะ ในฉันเองก่อนที่จะนำท่านฟังเข้าสู่ในช่วงอื่นของรายการเห็นว่าเป็นห่วงเวลาที่เราจะเริ่มต้นชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลจะได้ไม่พลาดพลั้งในการดำเนินชีวิตแต่และเวลานาทีที่ผ่านไปอย่าให้เสียเปล่านะคะอะไรที่เราเคยทาผิดมาแล้วเขาบอกว่าผิดครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดอะไรหนักหนา าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้เห็นว่ามันน่าที่จะมาเป็นอุทาหรณ์ทำให้เราไม่ผิดพลาดซ้ำอย่างที่ผ่านมาแล้วแล้วอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าความผิดเดิมทําซ้ำอีกอันนี้นี่สมควรที่จะได้รับการไม่เห็นใจหรือว่าเห็นใจน้อยลงเหมือนกันบางคน เมื่อถึงเวลาที่จะขึ้นปีใหม่หรือว่าในเวลาที่จะก้าวไปสู่รอบอายุใหม่คือขึ้นต้นวันเกิดเนี่ย น, นะคะก็มักจะอธิษฐานขอโน่นขอนี่ขอโดยที่อยากได้ง่ายๆขอแล้วให้ได้โดยไม่ได้ต้องลงมือกระทาแล้วก็ทําในทิศทางที่หวังพึ่งใน สิ่งที่ตนคิดว่าศักดิ์สิทธิ์คิดว่ามีอํานาจอย่างเช่นคนอยากได้เงินใช้ น, นะคะก็ไปกราบไหว้ต้นไม้แล้วก็ยังเชื่อด้วยว่าต้นไม้บรรดาลให้ท่านถูกเลขหวยเลขเบอร์ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรูปพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ถึงเรื่องของที่พึ่งอย่างน่าสนใจในหนังสือที่เราแจกกันอยู่เป็นประจำคือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะเนี่ยนะคะ ท่านผู้ที่รวบรวมคือคุณพจนารัชตานาวินได้ยกเอาพุทธวจนะในอริยศาสจากประโอษภาคต้นเรื่องมนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดไว้เป็นบทที่หนึ่งเหมือนกับที่จะบอกให้ทุกคนเนี่ยได้ฉุกคิดว่าท่านพึ่งอะไรผิดอยู่หรือเปล่าควรจะหันมาพึ่งที่พึ่งที่ควรพึ่งอย่างแท้จริงมากกว่าดังนี้ค่ะมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก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 นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยแท้จากอริยสัจจากพระโอษภาคต้นหน้าสิบเก้านะคะก็คงจะทำให้เราได้ทราบว่าอย่าไปมัวหลงที่พึ่งผิดๆอย่างที่เข้าใจกันอยู่เลย ที่พึ่งที่ถูกต้องนั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งสอนให้เราพึ่งตนเองในที่สุดนะคะค่ะท่านฟังค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับพระมาร์กชาคาวโรจากวัดนาปาพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งจะมาพร้อมๆกับพระสูตรของพระพุทธองค์เต็มพระสูตรอธิบายให้ท่านฟังได้ทราบถึงรายละเอียดที่ควรได้รับการเข้าใจพร้อมๆกันไปด้วยค่ะ ตท่านฟังที่เคารพคะท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสรสนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวนะคะสำหรับในวันนี้ในส่วนของพระมาร์คชาคาวโรช่วงถามโลกตอบธรรมท่านเองได้เตรียมเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะมาฝาก ชื่อก็ฟังไพเราะมากขออนุญาตท่านที่จะเอ่ยชื่อเรื่องไว้ก่อนก็แล้วกันว่าอุปมาว่าด้วยการเห็นคุณและโทษของอัสาทะและอาทินวะฟังละเพราะมากไหมคะคําว่าอัสาทะกับอาทินวะท่านทุกฟังว่าอันไหนฟังไพเราะมากกว่ากันหน้าที่จะ อ, อ เลือกแล้วชื่นชอบมากกว่าการลองเลือกเลือกไว้ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวมาทายกันดูว่าอันไหนท่านควรจะอยากได้และอันไหนท่านไม่ควรที่จะอยากได้ตอนนี้พระมาร์ชาคาวโรท่านก็พร้อมแล้วนะคะนำ้ำมกาญกับท่านคะเจริญพรชื่อเพราะมากเลยค่อาสาท่านนี่คือความน่ารักน่า ย, ยินดีในธรรมทั้งหลายก็คื อ, อขันห้าหรือว่าตาหูจุมเรนกายใจในขณะที่อารเทนวานนี่คือโทษอันต่ําสาม ของอขันห้าเหมือนกันคือองค์ประกอบของชีวิตเนี่ยมันมีทั้งด้านที่น่ารักแล้วก็ด้านที่เป็นโทษต่ำสามค่ะเพรา ะ, ะนั้นคงจะจำง่ายคือต้องมอีวิธีในการที่จะให้ท่านฝังจำค่ะเพราะอย่างกับบางคนเนี่ยสมมุติว่าสารที่หลังแล้วทำให้เรามีสุขภาพดีเวลาอารมณ์ดีหวก เอนโดฟินใช่ไหมคะกับอีกสารหนึ่งเขาเรียกอะไรนะสารเป็นโทษมาเฟีนเหรอไม่ใช่ค่ะมันมันมีอีกสารหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าไม่มีกุศโลบายในการให้ทายกันไว้ก่อนคนก็จะอีกหน่อยอจะบอกว่าดิฉันไม่ชอบมากเลยชอบอาทินวะเป็นอันว่าอาทินวะนี่เป็นของที่ไม่ดีใช่โทษเป็นโทษถ้าน่ารักน่าพึงพอใจก็ต้องเป็นอาสาธะใช่นั้นใช่ไหมคะแต่ว่าที่ลึกซึ้ง นะคะต้องมีมากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่านี่เป็นพระธรรมนะคะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ก็นิมนต์ท่านมาร์กเลยนะคะได้ช่วย โ, โรณาอธิบายในเรื่องนี้ค่ะ อ, ค อ, อ, อันนี้มาจากการที่พระพว้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอ น, นุนซึ่งพระอนุนเนี่ยได้ฟังสายปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นลาดับขั้นของอาการเกิดขึ้นและก็าการไปของจิตเนี่ย แล้วพระอนุนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเห็นว่าเป็นธรรมที่เป็นธรรมตื้นๆพระผู้มีพระเจ้าเลยแต่กับพระนุนว่าดูก่อนอนุนอยา ก, กล่าวอย่างนั้นอยา ก, กล่าวอย่างนั้นก็ปฏิจจสมบทบาทนี้ลึกซึ้งด้วยมีลักษณะเป็นธรรมลึกซึ้งด้วยดูก่อนอนุนเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอด ซึ่งทำคือปฏิจจสมุปบาทนี้จิตของหมูสัต์นี้จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเสงี่ามุลชะและย่าปะพะชะอย่างนี้ยังไม่ลวงพ้นซึ่งสังสาระที่เป็นอบาลทุกติวินิบาตไปได้นี่คือพระพุทธเจ้าบอกว่า การที่เราไม่รู้ปฏิจจคุบาทเนี้ทำให้จิตเรายุ่งเหยิงเหมือนกลุ่มได้ที่เต็มไปด้วยปมแล้วก็ไม่ร่วมผลจากสังสาระอบายทุกติวินิบาทไปได้และท่านก็อธิบายต่อว่าดูก่อน อ, อนอนลเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาาัาทะคือความน่ารักน่า ย, ยินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปท า, านอยู่ ตันหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตันหายเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคือความยึดมั่นถึงมั่นเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิดเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามารณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาศ์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่คือพระพุทธเจ้าได้อธิบายว่าถ้าเรามัวแต่เห็นความเป็นรสอร่อยความน่ารักน่ายินดีอาศาธาเนี่ยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนั่นก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าตาหูจมูกิลนกายใจ หรือว่ารูปรสรูปเสียงกลิ่นรสพธิภพ ธ, ธรรมรมณสามชุดนี้คือทำมันเป็นที่ตั้งให้อุปท า, านถ้าเราเห็นมีปกติเห็นแต่ความน่ารักน่ายิานดีเนี่ยตันหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงและท่านก็ไล่สายปฏิจจสมุปาที่เป็นช่วงท้ายว่าเพราะมีตันหายเป็นปัจจัยจึงมีการยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นจะมีอุปท า, าน เมื่อมีการยึดจึงมีสถานที่เกิดนั่นคือเมื่อมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเมื่อมีสถานที่เกิดก็จึงมีการเกิดนั่นคือเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเมื่อมีการเกิดขึ้นก็จะเดินไปสู่ความแตกสลายนั่นคือเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมรัตอุปายาสักทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมเหตุกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ แตเพราะการที่เราเห็นแต่ความเป็นรสอร่อยน่ารักน่ายินดีเนี่ยก็นําไปสู่ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งหมดทังปวงและท่านก็ได้อุปมาว่าดูก่อนอานนท์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆบด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิงโอชะขึ้นไปเบื้องบนดูก่อนอานนท์ เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึ่งตั้งอยู่ได้ตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดดูก่อนอานน์เมื่อภิกษุมีเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาสาทะคือรสอร่อยน่ารักน่า ย, ยินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่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 ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้มีพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากเด่งลงไปข้างล่างแล้วก็แผ่ออกไปรอบๆซึ่งมันดูดสิ่งอันโอชะต่างๆขึ้นไปเบื้องบนมีอาหารมีเครื่องหล่อเลี้ยงที่ทำให้มันตั้งอยู่ได้ตลอดการยาวนานน่นกว่าพอเราเห็นความเป็นอัศาธะในธรรมทั้งหลายเนี่ย ก็เปรียบเสมือนสิ่งอันโอชาที่ลากนั้นเนี่ยดูดขึ้นไปทำให้ต้นไม้เนี่ยตั้งอยู่ได้ <Okay. S 1> ทีนี้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยการที่เรามาเห็นอาธินวะคือโทษอันตำสามเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าอย่างไรท่านตรัสกับอาโนวนว่าดูก่อนอานนนเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นด้วยความเป็นอาธินวะคือทษอันตำสาม ในธรรมอันเป็นท of ี so ่ต well. <c oughs> <c oughs> ั้งแห่งอุปทานอยู่ตันหาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามารณะโศกปริเทวะ ทกขโท ม, มนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นั่นคือว่าเมื่อเรามีปกติเห็นโดยความเป็นอาธีนวะคือโทษอันตํซามเนี่ยเราจะสามารถดับความทุกทั้งสิ้นนี้ลงได้กลายเป็นเรื่องดีไปซะอีกที่ท่านไล่สายปฏิจจาว่าถ้าเราเห็นความเป็นโทษอันตำซาบของ ทำทั้งหลายเนี่ยที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คือขันห้าอยายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑธรรมารมเราก็ทำให้มีความดับแห่งตันหาถ้าตันหาดับความยึดมั่นถือมั่นก็ดับเมื่อความยึดมั่นถือมั่นดับสถานที่แห่งการเกิดก็จะดับเมื่อสถานที่แห่งการเกิดดับไปการเกิดก็จะไม่มี ถ้าการเกิดไม่มีความแก่ความตายความทุกข์ความโศกต่างๆก็จะดับลงไปได้แล้วก็ท่านก็เปรียบเหมือนอุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ท่านตัดกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอนออนท์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีอยู่ลำดับนั้นบุรุษพึงถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้ที่โคน ครั้นตัดที่โควรแล้วพึงขุดซอกครั้นขุดซอะแล้วพึงรื้อขึ้นซึ่งรากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่ากา้านแฝกบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ครั้นตัดเป็นท่อนน้อยต้นท่อ น, นใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วพึ ง, พงกระทำให้เป็นซิกซิก ค, ครั้นกระทำให้เป็นซิกซิกแล้วพึงพึงให้แห้ง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 ต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะพึงเป็นต้นไม้มีรากอันขาดแล้วเหมือนต้นตาลที่ถูกทำลายแล้วที่คั่วแห่งยอดถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่งอกอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดดูก่อนอานนท์ข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นด้ดยความเป็นอาทินวะคือโทนอันตำสาม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 ทุกขโทมานัตอุปายาตทั้งหลายจึงดับเส้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งเส้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลค่ะกระเท่าบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นให้เราเห็นว่าของน่ารักเนี่ยมันอาจจะน่ารักแต่มันจะทําให้เราเกิดความเกิดเขาเรียกวความเกิดแห่งทุก ทำนเป็นต้นทางของการเกิดความทุกข์มันจะนําไปสู่ตัณหาคือความอยากแล้วก็นําไปสู่ความยึดมั่นถึงมั่นแล้วก็นําไปสู่การเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ค่ะยิ่งทุกข์เข้าไปหนักเลยเห็นของสวยกลกลายเป็นทุกข์อาทีนวะใช่อัสสัทะนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าโหเป็นคํำน่ารักน่าใครใครก็ชอบ <c oughs> เนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสุดท้ายในทางธรรมกลับนําทุกข์มาให้นะคะและ้ว อยาให้ท่านผู้ฟังได้สังเกตนะคะต้นไม้มีรากแก้วรากฝอยเข้าใจว่าอย่างนั้นและแถมมีน้ำท่าสารอาหารสมบูรณ์ต้นไม้ที่เป็นความทุกข์เป็นกองกิเลสนี้ก็เจริญ ง, งอกงามหล่อเลี้ยงให้เรามีพบมีชาติต่อไปได้เรื่อยใช่ดูสามารถค่ะตัดจากสายความทุกข์ได้ใช่แต่ในขณะที่อาทีินวะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คาแปลนี่ไม่น่ารักเลยนะคะ <c oughs> คือแปลว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ย นต่าสามค่ะต่ำสามอีกต่างแต่พระพุทธองค์บอกว่าทุกโทษอันต่ำสามเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เกิดตัณหาอุปมาเหมือนกับว่ามีคนไปตัดรากไม้นั้นโห oh, แล้วก็ทำสาสยับเยินแล้วนะคจนกระทั่งเผาเป็นขี้เท่าแล้วก็โปรยไปต่างหากหรือว่าอาจจะลอยไป ในน้ําก็ได้เพื่อให้หมดสภาพไม่ต้องกลับมาเกิดได้ใหม่ใช่เป็นต้นใหม่อีกสําหรับที่จะเป็นพบใหม่ชาติใหม่เป็นทุกใหม่ใหม่ใช่แต่ก่อนเราเคยได้แค่ว่าเป็นแค่ขุดรากถอนโคนแต่ว่าอุปมาพระเจ้านี่ละเอียดมากคือตัดแล้วทําไปให้เป็นซิกซิกซิกซิกแล้วทําให้เผ่งให้แห้งเป่งให้แห้งแล้วเผาเผาแล้วทายเป็นขี้เท่าทำขี้เถ่าเสร็จให้โปรยไปตามลมหรือว่าลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวคือทําให้มันไม่มีเหลือ แลยใช่แมแต่แตนิบเดียวไปสื่อความไม่มีไม่เป็นอีกต่อไปทั้งหลายทั้งปวงทรงต้องการที่จะให้พวกเรานะคะที่มีโอกาสที่เข้าถึงธรรมของพระพุทโธนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษตามซ้ำเนี่ยมันจะช่วยเราให้ก้าวพ้นในชาติภพชร า, ามรณะโศกปริเทวะได้อันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ใช่คือเรามักจะเพลิดเพลินไปในสิ่งที่น่ารักน่ายินิษแต่พระ พ, พุทธจเจ้าเนี่ยให้เรามองเห็นด้านด้านที่เป็นด้านโทษต่ำสามด้วยเพราะว่าด้านนี้จะนําพาเราไปสู่การพร้นแห่งความทุกข์ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าปีใหม่เราสะกิดใจกับของสวยๆงามๆ <c oughs> แล้วก็มองสะดุดอยู่แต่ความสวยความงาม <c oughs> <c oughs> แต่ไม่มองอีกด้านหนึ่งของเขาว่าความงามนั้นมีทุกโทษ ท, ที่จะช่วยให้เราได้เข้าถึงธรรมเร็วๆ เสียโอกาสนะคะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาป่าพง์ลําลู ก, กาคลองสิทธิ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นคะ่ะจะรินพอดท่านฝั่งจารติดตามพระมาร์คชาคาวโรนะคะในการนําเอาพระสูตรของพระพุทธองค์ซึ่งทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับได้อยู่ใกล้พระบรมศาสดาเพราะว่าเคยคิดว่าธรรมของพระพุทธองค์นั้นสูงส่งต้องอยู่บนหิีงหรืออยู่ในพระไตรปิฎกสูงๆเท่านั้นแต่วันนี้ ไม่น่าเชื่อเราทุกคนเข้าถึงได้นะคะถามโลกตอบถามกระถานฟังกำลังฟังรายการสัสนีสนทนานะคะสำหรับ เรื่องของที่เพิ่งอันกระนที่เราอ่านให้ฟังกันในตอนต้นนั้นจากหนังสือพุทธวัชบับก้าวย่ายอย่างพุทธคะที่มีแจกกันอยู่เป็นประจำในรายการทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-269-00-06 เ้นยี่ละค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นขณะ น, นี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามีสคสสวัสดีปีใหม่ของท่านด้วยการรวบรวม บทย่อของคาถาของพระพุทธองค์หรือที่เราเรียกว่าร้อยแปดตถาคตภาสิทธิโดยพระอาจารย์พบยูบุญอภิปุลโนซึ่งท่านก็เมตตาที่จะมาอธิบายขยายความในพระคาถาเหล่านั้นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนมัสการกัะท่านคะอาจารย์เปรนท่านจะให้ค า, าถาอะไรคะวันนี้จะพูดถึงคาถาที่หก<า>สิบแปดที่หกสิแปดพระพุทธเจ้ า, จาตรัสว่ารักษาผู้อื่นด้วยการอดทน ด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักให้เอ็นดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยบารมาเราลึกถึงอดิสัสคริสหรือว่าพระเยซูคริสเพราะว่าอดิสัสคริสเนี่ยในคืนวันที่ถูกลงโทษเนี่ยตัวเองก็มีแต่ความรักความเมตตากับบุคคลรอบข่ายลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่ารักษาผู้อื่นคี่ดูถูกเคียนอยู่ถูกตีอยู่ก็ไม่กล่าววาจาช่วยยา มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่บุคคลผู้เนี้ยเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตอดทนด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นผู้ที่ควรยกย่องด้วยคุณธรรมนี้เพราะลองคิดดูอย่างตัวเราเมื่อถูกเบียดเบียนด้วยไม่ว่าจะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีหรือทางใจก็ดีเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่รักษาผู้อื่นด้วยการอดทนให้ทําแบบนี้ด้วยการไม่เบียดเบียนเพราะว่าถ้าเรามีจิตักุศลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปอยู่ฝ่ายเขาทันที เราไ่อยูฝ่ายไม่ดีทันทีเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้ตัวเราสูงส่งขึ้นมาก็ด้วยการอดทนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร้เอ็นดูด้วยความไม่เบียดเบียนบุคคลเช่นนี้เป็นผู้ควรยกย่องผู้ควรยกย่องบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ต้องการได้รับการยกย่องสักเพียงใดแต่ถ้าอาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าจริงๆตัวท่านจะได้เต็มๆคือไม่ต้องไปอยู่ทางฝ่ายเดียวกับพวกที่เขาเบียดเบียนเราเอราเร า, เราเป็นอยู่ในฝ่ายบวกเราไม่ไอยู่ฝ่ายเรา ค่ะเราก็อยู่ฝ่ายเทพพูดอย่างนั้นได้ไหมคะจนจนกระทั่งว่าจิลัส c คลสเนี่ยถูกลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรงที่สุดในสมัยกลางนั่นคือการคร u สิป่หรือเตือนกลางเขนใช่ไหมค่ะก็ยังไม่เปลี่ยดเบียนคนอื่นยังมีเมตตาสิทอยู่ซึ่งไม่น่าเชื่อนะค ะ, ะเพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาในขณะนั้นเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่เอาตะปูตอกเข้าไปใน ฝ่ามือเพื่อตรึงกับไม้กางเขนแล้วก็ตอกเข้าไปที่หลังเท้าใช่ไหมคะตอนนั้นนี่คงจะเจ็บมากถ้าเป็นคนธรรมดาเขาคงจะคิดถึงตัวเองอะทำไมมันเจ็บอย่างนี้ร้องโอดโอยครวญครางใช่ก็ต้ององ่าเภยิสุเพลสก็เป็นผู้ที่อดทนมากแล้วก็ไม่มีเมตตาสิค่ะ ซ, ซึ่งจะสอดคล้องคุณธรรมของท่านในในเรื่องนี้จะสอดล้องกับข้อที่หกสิบดนี้เลยวันนี้ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นรายการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่เราก็สันเสริญคุณธรรมของคริสตศาสนาในวันสำคัญของเขานะคะแล้วก็เป็นการที่พูดในกาลเทศะที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้เอาไปใช้ใเป็นประโยชน์กับชีวิตที่ท่นชอบมากนะคะบทที่รักษาตนกับรักษาผู้อื่นซึ่งอยู่ติดกันจริงๆท่านไม่พูดรักษาตนด้วยเลยหรอคะจะได้ไปคู่กันรักษาตนอยู่67 ข้อหกิบเจ็ดเนี่ยอริยเจ้าตรัสว่ารักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทําให้มากซึ่งธรรมอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาตนด้วยคือจะรักษาผู้อื่นอย่างนั้นได้เนี่ยนะด้วยการมีเมตตาจิตเราต้องรักษาตัวเองได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เสพธรรมะมากเจริญธรรมะมากเนี่ยเราอดทนไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เสพธรรมะมากเจริญธรรมะมากเนี่ยเรามีเมตตาไม่ได้หรอก เพราะนั้นธรรมะสองข้อนี่เกื้อกูลกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอะไรเกื้อกูลกันสองข้อนี้ค่ะคําตอบคือสติออผู้ที่มีสติเนี่ยจะรักษาตนได้ทําให้เสียสมาได้ผู้ที่มีสติเนี่ยจะอดทนได้จะมีเมตตาได้ค่ะเราก็รู้หลักนะคะว่า จะรักษาตัวเองก็รักษาด้วยการเศธเรธรรมะเจริญธรรมะทําให้มากซึ่งธรรมะแล้วจะนํามาซึ่งความสามารถในการที่เราจะรักษาผู้อื่น <Okay. S 1> ซึ่งก็เท่ากับเป็นการรักษาตัวเองด้วยเหมือนกันด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูและคถาแบบนี้นะคะสั้นๆเอาไว้ไปไคร่ครวัวเอาไว้ไปท่องจําเป็นการระลึกรู้เพื่อการที่เราจะได้พัฒนาตัวเราเองอย่างไม่หยุดยั้ง จากร้อยแปดตถาคตพาสิทธิ์โดยพระอาจารย์ภัยบุตรอภิปุณโนนะคะวันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าอย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามาที่หมายเลข0 2 2 6 9 0 0 0สนะคะที่สถานีวิทยุ FM 106 <อ>เพื่อที่จะขอรับร้อยแปดตถาคตภาสิทธิ์ในขณะเดียวกันเราก็มีพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะที่ลูกศิษย์พระอาจารย์คึกฤต โสติพโลนะคะได้สร้างถวายให้ท่านออกมาจให้กับพวกเรากันอยู่เป็นประจำด้วยเช่นเดียวกันขอให้สัปดาห์นี้ท่านมีความสุขความเจริญในธรรมการท่นทวนหน้าน้มาสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสรนสนีสนทนาเวลา5้านาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสรนสนีนาคพง์ ที่นี่สทร f อ106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน